<c oughs> ไม่รีบไม่ร้อนแล้วนะพวกเราทนะ้องชีวิตของพวกเราก็คือปฏิบัติธรรมเราใช้ชีวิตเพื่อการนี้ทั้งไรก็ตามเพื่อการปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพของพวกเราสักช่วงหนังข้างหนังที่เราได้เกิดมา เหมือนอาชีพ้านา้าวไร่ตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปทำนาข้ำมาก็กลับบ้านคิดจะไปนาเท่านั้นการกลับบ้านนี่ไม่ได้คิดมันกลับมาก็รู้เองเป็นธรรมชาติ จนทานาสมเร็จจนจำนี้จำนานเป็นพ่อนาแม่นาพ่อไล่แม่สวนเป็นอาชีพการปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันให้เราทำเป็นอาชีพจะอยู่ในอดีตใดสภาวะเช่นใดก็มีความรู้สึกตัว ไม่ต้องเดินไปนาไปไล่เหมือนกับเราชีวิตชาวไล่ชาวนามีจอบมีเสียมมีวัวมีควายมีคันไถมีน้ำมีดินส่วนประกอบมันหลายอย่างก็ยังทำได้อันนี้วัตถุอย่างอื่นไม่มีมีแต่กายมีแต่ใจของเราเราก็มีสติเอาช่องแคบมันแม้นมันจะมีมากมาย เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับปากับใจเราช่องแคบมันก็คืออาการของกายของใจเรารู้จึกตัวเรารู้จึกตัวช่องแคบอยู่ตรงนี้มันผ่านไปไหนไม่ได้ประตูมันอยู่ตรงนี้จะเข้ามันจะออกก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่กายที่ใจที่มันเป็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น อาการที่เกิดขึ้นกับป่ากับใจมันก็ไม่รับไม่รีอะไรมันเกิดขึ้นมาถ้าเรามีสติถ้าเราไม่มีสติก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เห็นอะไรไม่เห็นอาการต่างๆพัดเข้าไปอยู่เขาก็พัดเข้าไปเป็นกับอาการต่างๆเลยไม่ได้ดูแลตัวเองปล่อยปละละเลยเป็นสุขเป็นทุกข์ ผิดผิดถูกๆได้เสียะอะไรต่างๆไปมันก็หลอกเราไปนั่นลหละยีตของเราก็มีหลายอย่างถ้าเราไม่มีสติเป็นหลักเอาไว้ต้องเสียว เ, วเวลาไปกับอาการที่มันเกทดขึ้นกับกายกับ ใ, ใจ เสียเวลาไม่ใช่เสียเวลาเฉยเสียกระทั่งกําลังเสียกระทั่งอะไรต่างๆเช่นความโกรธเสี ย, เ, ยเวลาไปกับความโกรธก็ความโกรธก็เราก็สั่งให้เราทําอะไรต่างๆได้ความโกรธความรักความจางแบางทีเราลองมาดู มามีสติมีสติดูลกายดูแลใจเหมือนถัดสเินชีมาเขาสมดังสมดังตั้งใจสเินชีมาเขานาย่ยคือสมปัตตนาไม่ใช่ใครที่ไหเอามาให้เราเราเองรู้เกสกตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นรู้เสกตัว มีสตินั่นแหละอัจฉริวินขี่มากเขาอะไรก็ตามรู้จึกตัวรู้จึกตัวนี่มันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมเราม่ต้องกลัวนะเราม่ต้องขี้ขาดม่ต้องกลัวมัต้องอะไรทั้งหมดอยากรู้ทำไมไม่รู้ไม่ต้องมีสาหรับนักปฏิบัติทำไมไมันผิดทำไมมันไม่ถูกไม่มีสาหรับสติ การผิดการถูกการรูก้การไม่รู้เป็นรสชาติของโลกเรามาอยู่เหนือโลกแล้วรู้สึกตัวนะก็มีเห็นเหมือนคนอยู่ที่สูงมองไปข้างล่างก็เห็นเห็นที่สายตาเราพอถึงถ้าไม่มีสายตาก็ใช่กล้องใช่กล้องช่วย เหมือนหลวงพ่อขึ้นไปนอนที่ภูเขาหิมาลัยประเทศเมียนมาลมองลงมาเห็นกันมาดุเท่าค ว, วามมือเห็นสนามเป็นยี่สิบกิโลประมาณยาวประมาณคืบเดียวที่มองลงมาไม่ถึงคืบด้วย เดี๋ยวไปเดี๋ยงเลยทั้งทั้งเดี๋มันเป็น10ปีเซปีโรมันก็ด้านก็คือรางกันบันดุไปคมนิดนี่ใช่ไหมคึ้นนิด <c ười> คึ้นนิดเลยไม่มีใครพาไปใช่ไหมขึ้น <c ười> นิดคนดนี้แบบคนห ม, มูด้วยอ่าไปพวกนี้ไปได้ขึ้นไปนอนหิมะเลยแล้ว่อ เขาช่วยให้ไปนอนอยู่นู่นมหาไหลพัดโมกกันเดกพโมกใครเป็นคนจะต้องติดไหมเราที่สูงเราอยู่ที่สูงก็ต้องมองเห็นถ้าเร่งระเบิดใส่ก็ได้แต่ม่นเลยเอาสนามบินก็ถูกสนามบินมันอยู่ในเหมือนเลด้าของ แต่ละประเทศเขายิงปืนเขาทิ้งระเบิด เ, เอาให้ถูกจดุดพราะนักโลบันเปนดมาเขาฝึกมากก่อนที่จะจับปืนจับระเบิดก็ต้องฝึกกายฝึใจถ้าไม่ฝึกมันจะปืนไปฆ่าคนไม่ใช่ไปทําสงครามไปฆ่าคนไปมีดไปฟันคนต้องฝึกให้ดีก่อน กายใจของเราเน่ถ้าไม่ฝึกมันจะร้ายนะมันจะทำลายตัวเองไงป่อทำลายคนอื่นผู้อื่นเชงอื่นวัตถูกอื่นด้วยถ้าจะฝึกกันเวลาเราปฏิบัติเน่ไม่รู้จะทำกันยังไงมันเอา้าไม่เป็นไรทำยังไงก็ได้มันจะมีบทเรียนในตัวมัน ไม่ต้องเคร่งเทียดไม่ต้องโดนจนขอแตกบรนพารัฐบาลรัฐบาลเนี่ยเดินจนเท่าแต่นี่แล้วเอาชอนเท่าเดินชนเท่ากาาา็แตกเอาข้างข้างเดินตะแคงเน่ยตะแคงข้างข้าวว่าแตก เอาปายเท่าเดินยองยองไปไปลายเท่าก่อแตกทางเดินยังก็ไม่แต่รอยเลือดงมดกำลังใจเลยรัฐบาลก็มาลาพระบริเจ้าว่าคาพัดนี้ไม่รู้อะไเลยพระเจ้าเธอทำอะไรให้พระไปดูที่เดินก่อมีเต่รอยเลือดแดงเหมืนรอยเลือดเท่ามันจะมั เห็นรัฐบาลมาลาศิขาบอกว่าคงไม่บรรลุธรรมะไรหรอกนีแต่ความยากลำบากจะศึกไปทำบุญทำทานเราเพราะรัฐบาลเนี่ยมีเงินมีทองมากเรียกว่าโอ้ไม่ใช่รัฐบาลโสนะนะเออโสนะโกฬีวิตะ โนะมีสองโลกโสนะโกริวิตะโสนะโกติกันทะโกริวิตะโนะโกริวิตะเป็นเพื่อมีทรัพย์เป็นกโกฏจะไปทำบุญนานๆสร้างบัาสร้างมาบวดลูกบวชหลานทากระถินทอดว่า่าเอาคิดหวังเอาทรัพย์ของตนมาทำบุญผูติเจ้าอ๋อพระเจ้ัน เธอเป็นนักดนตรีใช่ไหมใช่เวลาเธอเล่นเตี่ยกีตา้าของเธอเมื่อวันตึงเสียงมันจะเพอะไหมไม่เพาะเมื่อมันหย่อนนั่นจะเพาะไหมไม่เพาะทาไงมันจึงจะเพาะเราทำพอดีพอดีอันนี้ก็เหมือนกันสวนะเธอก็ต้องไงพอดีกับเธอเธอเดินจมกองจะเท่าแต่มันไม่ใช่ความพอดีหรอก มันเกินไปแล้วไม่นอนก็ไม่ใช่พอดีไม่จินก็ไม่ใช่เรื่องพอดีอยากรู้กันไปก็ไม่ใช่ความพอดีขี้เกียจกันไปก็ไม่ใช่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ไหนคือความรู้สึกตัวใช่กายใช่ใจไม่ใช่เอารูปแบบมาชี้ขาเอาความรู้สึกตัวกับความพอดีของเราการใช้ชีวิต อย่างคนมีอายุเนี่ยจะมาเดินยังกรมทั้ทงวันเหมือนท่านติกก็ไม่ได้ท่านติ๊กเดินทั้งวันเหมือนกับพระบางหลว ก, ก็เดินทั้งวันเลยวัิบี่วัดเดินนั่งอู้แมหลวงพ่อเองก็เคยมาแล้วเดินจนขาแตกมันอ้วนใช่ไหมก่อนกบขาแตกเลยอมู้่าทำไมนามันจะเดินจงกรมได้เราไปขออย่าละหมามาเหน็บ วันเนี่ยเออเดินได้มันลื่นดีแต่เวลาเดินอยู่มันเป็นเลยพอเนี่ยไปแต่เวลานั่งตอนเรานั่งล่ะมันแห้งเลยพอตัวเดินเนี็กเ อ, อ้าอย่างปะเจ้าเ อ, อ้าเดินอย่างก่อนขาแต่มั น, นอ้วนอืึแล้วก็ทํำพอดีนั่งจนเป็นรอยกระดานเคยเคยมีเหมืนการแต่ว่า มาทำบัติทุกวันนะไม่ไม่หลบลี่อยู่ถึงกับอะไรมากมายมาทำบัตทุกวันมาฟังหลวงพ่อเทียนพูดมาไปฉันบบนทบาทในภาชนะเดียวกับหมูว่างภาชนะคนเดียวบ้างฉัน เพื่อนหลงแล้วก็พยายามเอาบทเรียนจากความหลงของเพื่อนมาสอนตัวเราเพื่อนรู้เราก็พยายามเอาบทเรียนของเพื่อนรู้มาสอนตัวเราความพูดค้างกระทําของเพื่อนมีได้บทเรียนทางนั้นไม่ได้เสียเวลาเวลาเราก็เอามารู้เอามาลูอามาลู่ลู่จึงตัวลู่จึกตัวออกมาไปฉัน รวมก็ไปทำวัดเข้าไปทุกวันทุกเช้ามาฟังหลวพ่อเทศบางทีหลวงพ่อเทศไม่รู้เรื่องก็ฟังไม่ใช่ไปบังคับให้ตนรู้หรืออยากเป็นเหมือนหลวงพ่อเทียนไม่จะอยากเลยหลวงพ่อเทียนมันจะเป็นจากนี้อย่างนี้เอากี่วรเมากุมหัวหลวงพอ่พอปฏิบัติธรรมันเป็นนี่นะมันจะยากกอะไร เอาผ้าคุมหัวเอาเดินดูสิเห็นไหมไม่เห็นเลยก็ทั้งไม่จะเห็นอาสลัดผ้าออกจะไปจับออกนะให้ผ้ามาหลุดออกข อ, อ, ก ง, องหัวหลุดพอเดินไปลองก็ทำท่าอย่งหัวลงผ้าก็หลุดออกอ้นั่นเป็น <laughs> อ้าเราก็อยากเป็นหลวงพ่อ เอามาคิดอี่มันทําไงผ้าอาอกจะหัวเสียเปลาบางทีหลวงพ่อเอามือไปแตะคนเด็กน้อยเอามือไปแตะนี่นี่นี่มาดูนี่อมือไปแตะก้นน้อยเลือดที่มันก้นเด็กน้อยมันแดงเอามือไปแตะ ม, ม, ม, มันจะตืดไม่มีเลือดเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเจิดอย่างนี้เอามือออกสิมันแดงอันนี้ไม่ถูกนะ ให้มันจืดเขามันจืดให้มันจือดอา้าวอีกแล้วเหรออะไรอีกนาะหลวงพ่อเทียนไม่เคยพูดอะไรสมัยก่อนเนาเคบก็ไม่มีซีดีก็ไม่มีพูดก็ไม่พูดอะไรมากหลวงพ่อเทียนะพูดก็เป็นพูดภาลาเราเน่เงเน่เงเนกแรงมาก เหน่งรู้จักไหมเหน่งภาษาเาหน่งเข้ามาเหน่งคือติงติงมากๆติงก็ไม่รู้พวกเนี่ย <c oughs> เอ้าติงก็ยังอะไรตริงติงไม่รู้เหน่งให้มากๆติงมากๆหมายถึงการเคลื่อนไหวมากๆให้รู้มากให้รู้มากถ้าเราไปฟังเอ้าถ้าเราแปลคาพูดของหลวงพ่อเทียนมาคิดอุ้ย เสียเวลาเอ้เาหลวงพ่อพูดอเราไม่รู้ชร้างว่ามันเรามาทําำเองเนี่ยเราทําขี่มาเขารู้รู้โอ้ยนี่เป็นของเราเนะี่ยอย่าแปาคำพูดของคนน้อยคิดแต่ไม่ใช่เอามาทําำผิดก็ตัวเองผิดถูกก็ตัวเองถูกเห็นทั้งสองอย่างมันผิดก็เห็นมันถูกก็เห็นนะแกลยังไงมันก็ไม่เหลือวิสัยการปฏิบัติธรรมนะ มันเป็นของทําได้มันจะเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นออเข้าใะจมันทําได้ทําได้ทำได้ทําได้ทุกอย่างทำได้แม้กระทั่งมันเจ็บแก่ตายไปก็ทําได้นะถ้าเราลู่เราลู่เรามไม่ใช่ทําได้เฉพาะหลงเลิมอยู่ตรงนี้แม้มันหลงอะไรทั้งเข้าไปมันลู่ได้เราเรียกว่าศิ้นขันสมาธิขันมันขันเข้าไป มันขันด้วยจากไหนขันเน่ะไม่ใช่ขันใส่น้ํานะขันในมันที่มันเฟิรมที่มันขันเออจากไหนคนนิดฟืรมมันขันเปคนเฉมเฟืรมันขันมันเป็นยังไงเนื้อมันดีเนื้อมันดีอะลรก็ทอออกไปแล้วเอาห่อน้ําได้มันขันถ้าเฟืรมไม่ขันเนี่ยมันก็ห่างๆไม่ค่อยเราทำผ้ากันยางู้จากผ้ากันยังไหม วาก็อย่างเอามาทำผ้าห่มมัวทำมุ้งเพื่อเขาทอเขามาหางอันนั้นมันก็ใช่ได้คนเราอยางศีนก็เหมือนกันศีนสมาธิปัญญาให้ก็สัมผัตได้แต่มันขันเนี่ยถ้าให้มันขันเนี่ยต้องฝึกศีนขันมันถี่แล้วสมาธิขันมันถี่แล้วสมาธิปัญญาที่ขันมันถี่แล้วไม่มีอะไรรอดได้ มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราฝึกไปฝึกไปฝึกไปนะมันก็ก้าวหน้าก่อนไปมันก็ก้าวหน้าของมันไปเอ ง, เอ ง, เองธรรมชาติธรรมะธรรมชาตินะมันเหนือก็ใครจะมาสอนเราเราสอนตัวเราแท้ๆต้องปฏิบัติอย่าไปแข่งเคียดไปอยากลู้อยากเห็นพวกเราทำด้วยความอยาก ทำด้วยความเบื่อทำด้วยความประหยัดทำด้วยความขี้เกียจไม่ใช่ทำด้วยความปวดความเหนื่อยถ้าไม่ทําเอาคิดไปอีกเอาหลวงพ่อจะว่าอาจารย์จะว่าเอา้คิดไปอีกแล้วกนะันอะไรก็ตามอีแต่คนอื่นเอามาอาจะเอาอย่างอื่นมาคิดเอาไม่ไม่ต้องทำโดยการกระทาของตัวเองโดยสติสมัญญะแต่ก็ดีเห็นเขาทําก็ทําไปก็ดีเหมือนกัน แต่ว่าไม่สู้เราเกิดขึ้นจากเราไม่ใช่เกิดขึ้นจากตาเห็นเขาทำก็ทำเห็นเขานอนก็นอนไม่ใช่มันเกิดจากเราความถูกควผิดที่คนอื่นบอกมันก็ไม่จริงเหมือนเราบอกตัวเราอันนี้ถูกนะไม่จริงหรอกอันนี้ผิดนะไม่จริงถ้าเราเห็นเด็กอันนี้ผิดอุ้ยไม่ต้องไปถามไม่ต้องมาบอก อันนี้ถูกเช่นเรามาเห็นลูกเห็นนามนะก็เห็นลูกเหนนนามหลวงพ่อเทียนไม่เดินม า, า, นนาแต่นอกวันนี้ะทำไมหลวงพ่อเทียนมเดินมาอากจะคุยสักหน่อยดูหลวงพ่อเทนเดินมาเป็นจังไงถ้าเราจะเดินไปหาก็ไม่เหมาะ มันกั บ, บมันจากจะไปไหมไม่จากจไปเรามาไปมันรู้หรือเราไม่เอาความรู้ไม่เอาว่ารู้เลยเป็นผู้รู้ไปแล้วหรืออ า, าเมาเห็นกลับมารู้จากตัวไปเาว่าถี่ถามหลายวันเป็นเดือนนั่นแหละเราก็อยู่ตรง น, นั้นเอาไม่ถามไม่ปีปากถามใครพยายามดิจ่าเห็นตัวเองเตือนตัวเอง ของลู้ครับลู้อะไรอยู่ลู่ลู่น้ำเราอ้ยคนมาลู่จากรูปน้ำคนบ้าเลเขาบ้าจผมเป็นบ้าเป็นโยมนะบันนี้ไม่ใช่บ้าแล้วมีประโยชน์อะไรเห็นลูกน้ำประโยชน์น้อยน้อยไม่บ้าท่าคุยะอะไรก็ ผมโม่หลงงมงาความทุกข์ต่างๆเอาต่างๆไ้เลยอดทวายไม่อยากพูดอดทวาอดอาไว้ไม่พูดอดอาวายไม่พูดทั้งหมดเหมือนกับโลมีเงินร้อยบาทเอามาใช้เพียงสามสิบบาทเหลืออยู่เจ็ดสิบาทความรู้ต่างๆที่มันมเอาไว้ไม่จะเอามาพูดเลย เป็นอะไรไปเลยการปฏิบัติใหม่ๆอย่าตื่นเต้นไปกับความลูกอย่าตื่นเต้นไปกับความหลงอย่าตื่นเต้นไ้กับความสุขอย่าตื่นเต้นไปกับความทุกข์อย่าให้ความสุขความทุกข์มันเหนือเราอย่าให้ความ ah. ลูกความไม่รู้เหนือเราให้เรามีสติเท่านั้นการปฏิบัติธรรมมาเป็นอย่างนี้วิธีปฏิบัติ อรับผิดชอบขอขอพูดไม่ต้องเสียเวลาเอาพูดถ้าเราไม่ผ่านไม่ลูกไม่ไประสบการณ์มาก็เสียเวลาพูดอะไรไปอันนี้พูดแต่ว่าพูดเท่านี้มันก็มันก็กว้างใหญ่ไปสาแลแต่เราเราทำลงไปไหนอะไรมันเกิดขึ้นจากกายจากใจเยอะๆไปเลยเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้น มีเยอะๆไปเลยก็ะรูอเอารูอเอารูเอรเอาตัวรูถ้าไม่มีก็ไม่ได้ใช้เพราะอะไรเพราะเราไม่สร้างถ้าเราต้องสร้างเป็นบุพจิตเบื้องต้นที่เราจะต้องทำหลวกเ่าบอกว่าอา้าวว่อมันคิดไปก็ะรูมันไม่มีความรู้จะไปทําอะไรมันก็หลงไปกับความคิดแ่ะเพราะไม่ได้สร้างตัวรูเป็นฐานเป็นที่ตั้งวไว เมื่อกลัวไม่มีนเหนหิวข้าวาหิว อ, อยู่นะ่ะถ้ามีเงนหยวข้าวก็เจนข้าวได้สบายเ็นอย่างนี้ น, นะแตยังว่าฮาโจำวันเจอเลย